กราบคาวะพระราตนตรยคือพระพุทธพระธรรมพระสงอะข อ, อนมธรมการหลวงพ่อเกื้อฉันกระลบทั้งหลายของพวกเราขอกราบนมัรรมการคุณครูบาอาจารย์นลว ง, งพระเถรานรเทระหลวงพ่อทุกทุกท่า น, จนเจริญพรญาติโยมทูุ้ก คนผู้ใฝ่ใจเนธรรมทั้งหลายนั่งตามสบายวั น, นนี้หลวงพอ่อไอ้คุณว่าผู้บาอาจารย์ท่านก็ให้หลวงพ่อมาพูดให้ฟังพูดก็พูดเรื่องเดิมนั่นแหละไม่ได้มีพูดอะไรหรอกไม่มีคําพูดเหมือนหมูอาจารย์ทั้งหลายเรามาศึกษาคือมาศึกษาเรื่องคีวิตจิตใจของเราเ <c oughs> พราะพวกเราเกิดมานี่ก็ เกิดมาหลงหลงมาทุกคนนั่นแหละต่างคนต่างหลงมาหลงมาหมดโลกนี่แหละไม่ใช่ตั้งแต่ประเทศไทยหรือประเทศอื่นก็เหมือนกันเกิดมาก็ไม่รู้จักเกิดมาเราไม่รู้จกไปไหนอตายแล้วก็ไม่รู้จักว่ะไปที่ใดไม่รู้จักก็มีแต่เกิดขึ้นมาก็ถูกหลอก อยู่เรื่อยๆไปหลอกตัวเองหลอกผู้อื่นเรื่อยๆไปไปตามยถากรรมเกิดมาแล้วก็เพิดเพลินไปถูกหลอกก็ตาหูจมูกลินกายใจกระทบรูปเตียงกินลดปวดฟาดธำรมรมอพนพนพ า, า, ายตนะผนอกอัตตาภายใน มากระทบเราก็ไปตามเขาไปตะพื้นตะพือไปเป็นความคิดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องอดีตเรื่องอนาคตสารวัตรสารพัดตั้งแต่มันจะคิดไปไม่มีทั้งจบทั้งสิ้นอดีตก็ตามอนาคตก็ตามก็ปีตีปียี่ตีปีสามตีปีจนถึงตายคิดแกลคิดอีกคิดลักคิดชังคิดตีคิดแยคิดอีจฉาคิดพยาบาทคิดป้องหลังจองผันกันไปสุดเลยเรื่อยๆไป อยู่เรียเฉยไม่ได้ไม่ได้ดูตัวเองดูแต่คนอื่นอืมจากนั้นก็ถูกหลอกไปอยากได้อนั้นเป็นอย่างนี้อย่างอยากนี้ดีบ้างไอ้ช่วบ้างดีใจบ้างเสียใจบ้างสารพัดต่างๆจะเป็นไปวันหนึ่งเป็นบ้าตั้งหลายข้างหลายหนอยู่ก็ไม่รู้จากตัตเป็นบ้าหลงอยู่งั้นตลอดตายไปโยมไม่รู้อยากมาดูตัวเองหรอกไปตามใจตามยถากรรมตัวเรื่อยๆไป พอเรามาเนี่ยพอเรามาเข้าใจมาประพฤติได้ฟังคําสั่งสอนของคุณครูบาอาจารย์ที่เรามาประพฤติปฏิบัติอย่างเนี้ยโอ้คิดบันดิตของเราเนี่ยคือมันมีกายกับใจที่ทำาให้เราเป็นทุกข์เนี่ยเราไม่เคยมาดูสักทีเลยมานี้พอมาดูเขาแล้วก็มาเห็นอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นจากชีวิตจิตใจของเราไอ้ดีบ้างไอ้เสื่อบ้างสารพัดที่มันจะเอาไป เกิดมาเนี่ยไม่มีถึงที่จะเอาไปทักอย่างเดียวมีแต่โอ้ไม่มีที่จริงจริงที่จะละจะปล่อยจะวางไปได้มีไม่มีเลยมีแต่เอาหมดทั้งหมดทิ่งที่ไม่เอาไม่ได้ทิ่งที่ไม่อยากได้ก็อ ก, ก็เอาเอาเอาอย่างนั้นแหละดีใจบ้างเสียใจบ้างสารพัดต่างกันมันจะเป็นไปเป็นไปไปร้อยแปดพันประการ ừ. เราก็เป็นผู้เป็นไปสับสนมุ่นวายไปอยู่นั่นแหละ ไอ้ด oui. er pues ีก็มีไอ้ช่วก็มีเพลิดเพลินก็มีถูกเต่าเสียใจก็มีตาลพัดอย่างมันจะเป็นไปแล้วสิ่งที่เราทํามาอยู่เนี่ยมันจะไปไหนมันก็เป็นธรรมบัติของเราอยู่เนี่ยแน่ๆเพราะว่าเรามียึดมันถือมันในสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันจะปวดป่วยจะปวดจะรัดจะวางไปก็เป nah ็นเหมือนก็เป็นตามยถาความกรำหนวนเป็นอยู่นั้น นี่และเราเกิดมาแล้วก็บกวนเวียนว่ายใจเกิดเมืเ่อแต่กี่กับตีกันแล้วตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยมันกวนวนอยู่อย่างนี้แหละเวียนอยู่อย่างนี้แหละไม่ได้ไปไหนหรอกอไปถึงแล้วก็ไปถึงแค่เอตะวันแล้วก็ไปถึงเมืองพมรุ่งมดกรรมแล้วก็กรอบขึ้นมาใช้ชาติใช้ชกรรมของเราอยู่นี่แหละมาเวียนว่ายใจเกิดอย่งนี้แหละส่วนอวิชพานั่น ดนน้อยน้อยคนน่จะได้ไปมันมันไปยากเพราะว่าไม่ไม่มีอะไรนิพพานไม่มีอะไรที่จะไปยึดมั่นถือมั่นเลยมีแต่ความวางปล่อยเรามันนี่ก็ก็มาจากจะไปนั่ะปรารถนาอ้อนวอนอยากได้นิพพานหนึ่งนั้นอน่งนีน้แต่ว่ามันไปไปไม่ถึง ก็วกเวียนเวียนวอยู่นี่แหละใช้ใชะแท้กรรมกันจัดค่ากันกินอยู่เนี่กินกันสัตว์ตัวใหญ่ไม่ว่าตัดอะไรหมดเลยได้เลี้ยงการได้ไม่เลี้ยงการไม่ก็ไม่ก็อาศัยกินกันอยู่เนี่กินของเล็กๆตัวใหญ่ๆก็กินตัวเล็กๆตัวเล็กก็กินตัวนิดๆตัวนี้ๆก็กินยินกินหญ้ากินอะไรไปกินน้ําินอะไ สาปตั้งมันจะกินมันกินกันอย่างนี้เพราะไปเห็นพวกสัตว์น้ําที่ไปกับหลวงพ่อเนี่ยไปป่วยอยู่เขาเอาหนังมาฉายให้ดูให้ออกจากอวันวันหนึ่งนี่ได้ดูหลายอย่างอยู่ทางฝ่ายทะเล ก, ก, ก็ก็มีฝ่ายบกก็มีมันกัดมันกินกันโอ้ มันมันมันอยู่ยากเหมือนกันกลัวจะใหญ่เป็นตัวสัตว์มาเท่าถึงแก่ตายเนี่ยก็ยากมีแต่กินกันทั้งหมดนั่นแหละสัตว์น้ําก็เหมือนกันสัตว์ป่าก็เหมือนกันคนเรานี่ก็เหมือนกันอ่นั่นแหละแต่มันไม่ได้เอาเนี้อเอาหนังไปกินหรอกคนเราเนี่ยมันเอาชีวิตคิ ด, ค ด, ค ด, คดใจของเรามันคิดอาฆาตพยาบาทจองร่างจองขนันไป ชอบโกงกันไปสุกรักขโมยกันไปสารพัดตั้งแต่มันจะเป็นไปข่มเหงกนันเป็นเป็นหน้าอห น, าหน้าหน้าอันละอายโลกเเกิดมาเนี่ยเกิดมานี่ถ้าเราไม่มาทําเรื่องนี้นยก็เรามาฆ่าตัวเองเรามาทําโทษตัวเองไม่มีถึงที่จะดีเท่าไร่หรอกดีก็ดีดีอยู่แต่ว่ามันไม่ดีไปมาทางทางธรรมะแต่ทางโลกเนี่ยมันก็อยู่อย่างนนเนี่ย เปลี่ยนกันรับเปลี่ยนกันลุเลนกลปเปลี่ยนกันจองล่างจองฝันกันไปอยู่ตามธรรมดาธรรมดาเพราะฉะนั้นพวกเราเกิดมาเนี่ยเกิดมาถูกทางแล้วมาถูกถหุนทางมาเห็นหลวงปู่เทียนเหลวงปู่หลวง พ, วพว่ออมเกียนท่านมาตรัสสอนพวกเราอยู่เนี่ยมีแต่ออกจากทุกข์ทั้งนั้นคือมาดูชีวิตจิตใจของเราที่เกิดมาเนี่ยมันเป็นยังไงก็ให้มาเข้าใจเรื่องชีวิตเรื่องกายเรื่องใจของเราเนี่ย ่มาทําความรู้สึกเนี่ยไม่ใช่ว่าของเล่นเล่นอันรู้สึกตัวเนี่ยเป็นของที่ประจําตัวของเราเกิดมาแต่วันเกิดกับกายของเราเกิดมาพร้อมกันเราค่อยไม่ค่อยให้ความสุขต่อกันเลยมีแต่ลงโทษกันเรื่อยๆไปอันนั้นดีอันนี้ชัว่วก็เป็นเป็นมันเป็นเป็นอย่างนั้นพอเรามาเข้าใจเนี่ยเราก็เข้าใจเนี่ย ไม่เคยเห็นหลายๆเห็นกายเห็นใจของเราเนี่ยแต่ว่ารู้จักดูได้ยินที่ชื่อมันรู้จักตัชื่อมันแต่ว่าตัวมันไม่เคยเห็นกายมันเป็นยังไงใจมันเป็นยังไงเห็นอยู่กายเนี่ยแต่ว่าตัวกายแท้ๆนั่นนะ่ะมันคือไปอะไรเราไม่รู้จักไม่เข้าใจมามาเข้ า, เขาใจเราโอ้เนี่ยมีกายนี่ก็สําหรับถึงที่เป็นที่พึ่งที่อาศัยของชีวิตของเรา คือคือไม่รู้สึกนั่นแหละคีวิตของเราแทๆ้ๆคือมันไม่มีทุกข์เรามาฝึกกูนเนี่ยใจเดิมของเราเนะี่ยไม่เคยอยากอีแถาพยาบาทใครเลยเกิดมาใหม่ๆนะั่นเกิดมาแล้วก็มีที่อยากแต่จินไปค่อยๆสร้างสมเรื่อยๆไปอยากได้นั่นอยากได้นี้อยากเป็นอย่างนั้นอย่างเป็นนี้สารพัดตั้งแต่เล็กๆจน ค, อคอ่อยค่อยเสแสงเข้าเรื่อยไปเรื่อยๆไปจนใหญ่จนโตจนเท่าจนแก่จนตาย มัวก็มันก็ไปตามยธากรรมของมันพอเรามาประพฤติปฏิบัติเขาเนี่ยเราจะเข้าใจรู้ว่าโอ้กายกับใจเนี่ยมันไม่ค่อยอยู่กับกันกับดยู่ด้วยกันทั้งหลายมันก็ไม่รู้จักกันด้วยมันรู้จักที่พึ่งกันทุกกายมันก็เป็นอย่างหนึ่งทุกใจก็เป็นอย่างหนึ่งแล้วตอนนี้ก็เมื่อกายทุกใจก็ทุกด้วยเมื่อใจทุกกายก็ทุกด้วยมันมันไม่มีที่พึ่งมันมีที่อาศัยเป็นผู้เป็นไปด้วยกันทั้งหมดเลย มันพอเรามาเห็นเนี่ยมาดูกายมาดูใจของเราเนี่ยมันไปไหนเราก็เ อ, อมาดูความรู้สึกของเราแท้ๆเนี่ยากายกับใจากายเคลื่อนไหวด้วยวิธีใดมันก็มันก็รู้แ ก, ก่เคลื่อนไปไ ป, ไปที่ใดมันก็รู้เนี่ยตอนเรามาฝึกหัดแล้วพอเห็นตัวรู้เนี่ยมันอยู่ด้วยกันโอ้ตัวรู้เนี่ยไม่มีตัวไม่มีโตนนี่เนี่ยแต่ก็มันไม่เที่ยงด้วย เราก็ยเขามาหาให้กลายกับใจของเราเนี่ยมันมีความตะวกขี่กันหรือมันออกไปเอคือบ้านของมันเนี่ยเป็นบ้านของเขาร่างกายของเราเนี่ยเป็นที่พึ่งที่อาศัยของชีวิตติตใจของเราแล้วก็กายเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นคู่มือของเราเป็นเครื่องมือเป็นที่ที่ที่อาศัยเนี่ยคือมาอาศัยกายของเราเนี่ยคือความรู้สึก มันมาอาศัยอย น, นี่อะความเจ็บความปวดความเหนื่อยความล้าความหิวตาฟัดมัม า, มามามาถึงที่นี่แล้วก็เรามาเห็นโอ้อันนี้มันทุกข์ทางกายมันเป็นอย่างนี้ทุกข์ทางใจคือวความคิดมันไปอยู่ในครบคิตเรื่องอดีตเรื่องอนาคตตาพัดน้อยก็คิดไปเราเป็นผู้เป็นไ ป, ไปก็มันก็เป็นทุกข์ไปดีบ้างเสียบ้างเมื่อก่อดีใจบ้างเสียใจบ้างก็กเป็นธรรมดาส่วนชีวิตนส่วนร่างกายของเราก็เจ็บปวดเหนื่อยล้าปวดหัวเจ็บท้องเป็นบาดเป็นแผลเป็นอะไรก็แล้วแต่โอ้โหมันทุกข์ทางใจ โอ้ทุกขางกายเนี่ยมันมันคนละอันวันนี้พอมันเกิดท้งทุกเนี่ยเราก็ไปอยู่กับความทุกข์แล้วเข้าไปดูดูอยู่ยยงั้นแหละไปเป็นกับมันมันปวดมันเจ็บมันก็ไปหวนไปอะไรกลัวจะของตายแล้วก็เป็นทุกข์อยู่งั้นเนี่ยสารพัดต้องมีทุกข์ไปทางใจต้งไปคิดจยางนั้นคิดจยางนี้คิดสารพัดต้องมีคิดไปก็เป็นทุกข์เป็นกับมันบัดเราเข้ามากมาเนี่ยหาเห็นตัวรู้ถึกแล้ว ตัวรู้สึกเนี่ยเป็นนามนามของเราเนี่ยคือมันเคลื่อนไหวได้ทุกอย่างเป็นนามเนี่ยกายมันมั น, ม, นมันก็เป็นที่พักของเขาแต่เป็นเครื่องที่เป็นวัตถุยกมือก็รู้จักตัวรู้นั่นก็คือใจของเรายกขึ้นยกลงก็เห็นเอาขึ้นก็เห็นเอาลงก็เห็นเราเอาขึ้นเอาลงอยู่เรื่อยๆไปเนี่ยเพราะว่าอยากจะให้สติของเราเนี่ยรู้มันอยู่ด้วยกันมันออกไปก็ให้รู้จัก ถ้ามันรู้จักถ้ามันออกไปแล้วก็เป็นอดีตเป็นอนาคตไปแล้วก็เอาเรียกกับขึ้นมาคือไม่ยกมือรู้จักเราไม่ต้องไปบังคับมันพอมันเข้าออกไปแล้วก็มายกมือมือรู้รู้นะมันก็เห็นมันก็อยู่กับทัวนี้นะไม่ต้องไปสนใจให้มันมากจะไปตีโพยตีภายอะไรเกิดขึ้นมาแล้วก็ทํำงาน ไ, ได้ตมามธรรมดาของมันจะเข้าไปเป็นจะเข้าไปอยู่กับตัวที่มันเป็นเราออกมาอยู่นอ ก, กออกนอกอยู่นอกคืออยู่ตัวรู้สึกของเราเนี่ย นี่นะไม่ได้ไปอยู่ในธรรมไปเจาะเวียนตั้งแต่ถึงที่มันเป็นดูนะนะั่นแหะมันก็ยิ่งหนักไปเรื่อยไปเนี่ยไปเพ่งไปย่องไม่ไม่อยากจะให้ไปไหนเนีย่ยมันอยู่นี่แหอะไปเพ่งแปลเพ่งมาก็ไปแน่นหนะ้าอกบั้งเป็นสานรพัดตั้งแต่มันจะนเป็นบางทีก็ไปคิดคิดมากคิดไปคิดมาคิดเรื่องอดีตเรื่องอนะไรก็ทิ่งขึ้นมาก็ปวดหัวปวดเตะร่มกี่ตายแนละ้วอก็ไปให้ผู้บาอาจารย์ไป สามท่านก็ให้อารมณ์อย่าไปอยู่กับในความคิดนะออกมาโยกนอกๆมาดูกายเราเกลนไหวให้มาอยู่ตัวนี้มันก็หายไปไปฟ้องเท่งไปจ้องมากมันก็ไปแน่นหนะ้า อ, อกหายใจไม่ออกสารพัดมันจะเป็นไปฟุ้งซ่านลำคาญมือนตามแท่งตามขานอกเนือน้อแก้วไปกี้ไปจ้องมัน ไม่ต้องไปกี้ไปจ้องมันเพียงเพืรู้เท่านั้นเนี่ยทำอะไรทุกอย่างเพียงเพืรู้อย่างเดียวเรามีหน้าที่ดูเอดูแล้วก็ให้มันอย่าไปเป็นเป็นผู้เป็นกับมันอะไรขึ้นเกิดมาให้เราผูเป็นผู้เห็นเห็นรู้แล้วก็เอ๊ะมันเป็นแทียนนั่นเองมันมีตัวไม่มีตนมันทําให้เราทุกข์ปแต่ก่อนมันเป็นอย่างนี้เด้เพราะว่าเราไปอยู่กับมันไปติดไปขุมเชียวมันไปบังคับมันบ้างไป อยากจะให้มันเกิดอย่างนั้นบ้างอยากให้มันแต่เกิดอย่างนี้บ้างมันไปคิดเอามันก็เปลี่ยนไปตามเจ้าชรกำของมันแล้วพอเราเห็นแนวแับนี้เราก็รู้จักโอ้เรื่องธรรมยามันเรื่องกายเรื่องใจอย่างมันเป็นเรื่องเขาเขาทํางานของเขาตาเมื่ก็ทํางานของมันหูมื่ก็ทํางานของเราจมูกลิ้นกายใจเมื่อก็ทํางานของเมื่ก็ทํางานของมันแต่ตัวเองมันไม่รู้หรอกมันเขาไปหาใจใจไปพูดรับลูกคนเดียว เออนั่นแล้วเราก็ตีโพยตีพายไปติดมันติดอันนั้นบ้างติดอันนี้บ้างมันเป็นสารพัดมันเปนก็ตามเรื่องกรตามแล้วของมันไปวันนี้เราเห็นแล้วโอ้มันก็เป็นอย่างนี้เองไม่มีตัวมีตนเป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นของที่เป็นธรรมชาติของมันเป็นอยู่นั้นเราก็รู้จกักรู้จักแล้วเราก็มีหน้าที่ดูอย่างเดียวมันจะเจ็บจะปวดจะเหนื่อยจะเออ หิวจัดละอะไรก็แล้วแต่ผุดตับตัวนุ่นไว้อะไรก็แล้วแต่ให้เราเห็นแล้วเห็นแล้วก็เดานั่นอะมันมันดีหมดทุกอย่างที่มันหามันเกิดมาสอนเราถ้ามันมาเกิดอย่างนั้นเราก็ไม่เห็นสิ่งที่มันเกิดไายบ้างดีบ้างทุกบ้างถูกบ้างมันเกิดให้เราเห็นน่ะเห็นแล้วเราไม่ต้องไปเป็นผู้เป็นแรื่องอันเนี้ยอะไรเกิดมาก็เห็นเห็นแล้วก็แล่าไปเห็นแล้วก็แล้วไปเราเป็นผู้ดู มันก็สบายใจนั่นแหละพยายามทํานี่แหละตัวรู้สึกเนี่ยตัวสาคัญมากตัวตวติตัวปัญญาของเราพูดท้าไปว่าพูดรู้พูดตื่นผู้เบิกบานอยาน่าไปง่วงเหงาเตาตืมให้มาอยู่กับตัวรู้เนี่ยทำํำแรงๆถ้ามันเป็นเข้ามายกขึ้นตึ้ง ก, ก็ได้มือของเรานอะนอะในระยะที่มันเป็นมันง่วงเหงาเขาน อ, นอนหรือว่ามันต้ลืมทะเ ล, ลือแล้วก็แล้วแต่เราอย่าไปเป็นกับมัน เรามาออกมากับอยู่คือการเคลื่อนไหวของเราเนี่ยเล่นไปตามธรรมดาธรรมดานั่นแหละเนี่ยก็เปลี่ยนอันผิดให้มันถูกนั่คือมันทุกข์แล้วก็มันทิดไปเหลืออะไรก็เนี่ยมาเปลี่ยนเป็นความมาอยู่กับตัวรู้ตึกของเราเนี่ยเนี่ยตัวตัวรู้ตึงเนื้อคือมันมันถูกอันตัวมันผิดนันคือสิ่งที่มันไม่ดีนั่นแหละมันเกิดขึ้นมาทําให้เราเป็น เปล่ยนอาการไปเป็นอย่างอื่นไปเรื่อยๆไปเราก็เห็นมันอ่ะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปเอาอะไรให้มันมากมันทุกข์มันอะไรน่ะมันสับสนม่นวายมันทาไมมันยังไปไม่รู้จักเพราะว่าเราไปอยากได้กองมันไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นไม่ให้เป็นอย่างนี้อยากอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากมันเป็นอย่างนี้แล้วก็อยากนั่นแหละก็มาว่าตัวเองเนีเป็นอย่างนั้นเนี่ยไปลงโทษตัวเอง พราะฉันมันเป็นเรื่องของเขามันเป็นอย่างนี้เองได้อย่าเป็นผู้เป็นให้เป็นผู้ดูเฉยๆรู้แล้วก็เปลี่ยนให้มันรู้เท่าน่ะฝุ่นหลงให้เป็นรู้แล้วมันก็หายไปแล้วก็มันหายไปทํำเบาๆทาเล่นๆทําอย่าไปตั้ง อ, อกตั้งใจกว่าจะได้อยากได้ให้มันดีเร็วๆอยากได้ให้มันเป็นได้ไวนั่นแหะมันมันไม่ได้หรอกมันมีความอยากอยู่คือเรามาเนี่ย เราไม่ได้เอาอะไรมาเพฤติปฏิบัติเนี่ยคือมาปฏิบัติให้มันรู้เฉยเรยนู้แล้วก็ปล่อยปะละวางไปนั่นแหละให้รู้จักทุกอย่างไ ม, ม่เป็นของสิ่งแทน่นอนเราทุกเพราะอะไรเพราะความอยากเราเกิดมาเนี่ยเรามาหาอยู่หากินเนี่ยเออมาหากินเนี่ยเราก็ให้รู้จักสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็เนี่ยความอยากของเราในโลกเนี่ยอยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้อยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้ น่นแหละแต่ว่าอยากได้เสวยๆไม่ทำไม่ได้อันเนี้ยมันต้องทําเรามาอาศัยกายกับใจของเราเนี่ยมาทําคนด้วยกันกายทําอะไรก็ให้รูก้กายเคลื่อนไหวไปแบบใดก็ ใ, ใจรู้รับรูปลูกไปด้วยถ้าออกจากความรับรู้ น, นั่นแ่ะมันก็กายใจมันก็ห น, นีไปไกลไปแล้วเป็นอดีตเป็นอนาคตไปแล้วกลับขึ้นมาตัวรู้เนี่ยมาอยู่บ้านเราอยู่นี่นะไม่ต้องหนีไปไหน มันอาจจเกิดขึ้นมาก็ให้เราเห็นให้ทันนี่แหละปัจจุบันของเราอ่ะยกมือไปเอามือมาอย่างเนี่ยให้มันอยู่ที่ตรงนี้อันนี้เป็นสิ่งที่รับรู้กายของเรายกมือขึ้นเนี่ยให้มันอยู่ด้วยกันมันจะค่อยดีเองเราใหญ่ไปอยากได้อะไรเลยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเรามายึดมั่นถือมั่นนะมันก็จะสบายใจมันเบากายเบาใจ ปลอดโปรงโล่งสบายทั้งกายทั้งใจของเรามันก็เพลิดเพลินไปกับที่เราทําอยู่เนี่ยมันขยันเกิดขึ้นมาอารมณ์อะไรก็มันจะเกิดขึ้นม า, า, าทุกเราก็รู้จักทุกเราก็รู้จักรู้แล้วก็เราก็เข้าไม่เข้าไปเป็นเฉยๆเนี่ยเราก็อยู่เฉยๆทำอย่างนี้เนี่ยมันจะค่อยรู้จักเองรู้จักปล่อยจักละจักวางไปอะไรก็ไม่แน่นอนอันเนี่ยเขาไม่ตั้งแท้แน่นอนเกิดอันตรีที่ได้ไมาเกิดมาไหนหเราพิจารณาไป อันนี้มันเป็นแบบนั้นมันมันไม่มีอะไรเกเ่ยหรอกมาคิดบังดูแล้วอ่ะนั่นล่ะเนี่ยเราเกิดมาทางดีแล้วเราต้องพยายามธรรมานี่ไม่ใช่ว่าเทียได้ของง่ายๆมันดูฟากตายอีกมันเจ็บมันปวดมันเรื่อยมันมันเหนื่อยมันอะไรก็ได้แต่ฟุ้งซ่ันลาคันสารพัดต่างกันไปเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาจนจะทนมันไม่ไหวว่าจะหนีอย่างมันไปหลายครั้งหลายหนแล้วล่ะ แต่มันนี้มันไม่ได้ถ้านี้ไปก็ไปที่ไหนมันก็เหมือนกันเราก็ไม่ได้อะไรไปเนี่ยถ้าเราไม่ทนทุกข์ทนเอามันปวดมันทําอะไรเกิดขึ้นเนี่ยให้เรามาอยู่กับตัวรู้ตึกเนี่ยเราจะไปจูบไปกับจูอันหนึ่งมาอยู่กับการเคลื่อนไหวของเราเนี่ยการเคลื่อนไหวเราก็รู้เล่นๆปะเล่นไปทํชาช้าๆทาเล่นๆทําอย่าไปไปเป็นกระแมน มันก็ค่อยดีเข้าดีเข้ากิจใจงเขาก็มันก็ดีมันก็ค่อยเบาค่อยบางไปมันก็หายหายไปหายไปมันจะเป็นยังงทดลองให้มากๆอันจริงที่มันเกิดเกิดมาให้เละลายเขาเห็นเป็นทุกข์มากๆแหละตัวนั่นแหละตัวธรรมะมันจะเห็นมันจะเห็นธรรมะขึ้นมามันถึงมันต้องเกิดมาเขามาคลองบ้านคลองเรือนเข้ามานานแล้วอันความทุกข์นั่นอยู่กับกายกับใจของเราเนี่ย เอากของเราเนี่ยไปเป็นธาตุใช่เขามีกองพลอยู่นี่แหละมีความโลภความโกรธความหลงมีโทษสามีโทษสามีโมหะอยู่ในตัวของเราเนี่ยเป็นใหญ่อย่างนี้เลยมันจะใช่มันจะกินมันจะเล่นที่ไหนเมื่อก็บอกให้กายนี่นะ่ะพาไปพากูมิประเทศพาภูมิประเทศไปเรืเ่อยๆไปเขาบังคับเรา เราก็ไปนั่นแหละพ่อเขาเป็นนายของเราบาเนี่ยเรามาฝึกฮัเนี่ยเราจะเอามันมาเป็นที่ค้าของเราเป็นคนใช้เราพ่อไม่ใช่บ้านของมันบ้านของเราเนี่ยอ่อคือตัลูกเนี่ยอยู่ในเนี่เนี่อตัวลู่เนี่ยเขาออกไปเป็นคนใช้ตัวได้แต่เขาจะพาไปไหนอยากรักอยากทั้งอยกินอยางเล่นสารพัดต่างี่างเขาให้พาไปวันนี้เรารู้จักแล้วเราเราไม่ไปแล้วมันเนี่ยบ้านของเราเราอยู่บ้านของเราเนี่ยพอ อคิดปับมาเราก็เข้ามาอยู่ตัวรู้สึกมาอยู่วันของเราเนี่ยเพื่อ ม, มันออกนอกไปแล้วเนี่ยระวังอันนี้แหละเราดูหมดอยู่เนี่ยมาอยู่เนี่ยอย่าดูไปทางอื่นให้ดูชีวิตจิใจใจของเรามันคิดก็รู้จักมันแต่เคลื่อนไหวไปเนี่ก็รู้จักรู้จักเล่นๆไปเรื่อยๆไ ป, ๆไปมันจะค่อยดีเองให้หรู้จักเท่าทันเหตุการณ์ถึงที่มันเกิดเอ้เรายกมือเนอี่ยเอาไปเอามาเนี่ยให้อยากให้ใหตัวรู้เนี่ยมันอยู่เป็นประจำ คือตัวท่านเอกแล้ตัวสติตัวปัญญาของเรามันอยู่นี่เราก็ต้องไม่ต้องวะต้องลางปล่อยเนี่ยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นนั่นแหลจะไปแทงมันเนก็ต้องลาลาท่านก่อนจะพี่ี่นันไปทำมันั้นนี่ต้องให้รู้จั ก, จกให้ตัวลูกเนี่ยเป็นหัวหน้าไปจะเดินจะเดินจะนั่งจะนอนก็ตัวนี้เป็นอาจาราเป็นไปเพื่อดูแลเป็นผู้ปกปักรักษาเรา เรามีที่พึ่งที่อาศัยแล้วนี่แหละต่อบุญบุญอยู่ที่ไหนคือต่อรู้ถ้ารู้แล้วมันไม่มันไม่เบียดบั๊บพูดอะไรไม่ดีมันเห็นเห็นเท่าทันนกไ็ไม่ต้องไปเป็นผู้เป็ น, ม, ปนมันก็สบายสบายนะไม่มียากเลยต่อไปเนี่ยมีแต่ความดูอย่างเดียวไม่ต้องไปวุ่นวายสับสนกับเรื่องอะไรทั้งหมดมันเป็นเรื่องธรมธรมดาธรรมดาเกิดขึ้นมามันทํำมาถูกมาแล้วนั่นแหละเราจะไปสร้างกรรมจ้างเวรเลย เพราะว่าเกิดขึ้นมาเนี่ยแล้วไม่เกิดมาดีถ้าเรามาดูจากเรื่องนี้เรามันม่อยากทางออกเลยนี่แหละทางออกทุกเป็นป่าใหญ่เนี่ยเขาเรียกป่าใหญ่คนเข้าไปแล้วมันออกมาได้ไม่ว่าสัตว์ตัวใดแหละเกิดมาแล้วอะ่ะไม่ไม่เขาทึกยากลําบากขนาดไหนเขาก็ไม่อยากตายเนี่ยนี่แต่เห็นพวกเราไปเนี่ยมันกลัวเห็นไหมไม่ว่าถัดอะไรเรามันกลัวคนทั้งหมดเลย เพราะว่าคนเนี่ยเป็ น, เ ป, นเป็นสัตว์ลายเป็นหัวหน้าเขาชนะสัตว์ทุก์บะทุกอย่างทุกตัวทำลายเขาได้ได้ไปมาบาปก็พิมมาสั่งฆ่าขาเนี่ยนะพวกเราเอาเขาไากินนั่นแห ะ, ะให้เราพยายามมาดูตัวเองเนี่ยนะไม่ต้องกินของใครละ ว, วันเนี่ยไม่ต้องเอานะไปกินของเอ็ดเตลอ เขาขายไม่อดไม่อยากหรอกไม่ต้องมาหาค่าพวกเราอ่ะไปตื้อเขานำมากินมาทานมาทำบุญให้พระเมื่อตรวจหน้าให้สัตว์สิ่งที่มันเจะไปเอามันมากินนั้นแล้วก็ได้บุญอีกทั้งทั้งต่อให้เราทำให้เป็นนั่นแหละถ้าเราทำอะไรลงไปเนี่ยเราทำบาป เอาบาปเป็นทุนเอาบุญเป็นกําไรเขาหวางนะ น, นะบุญนี่ก็ไม่รู้จากมันได้จะได้หรือไม่ได้มื่อบวชลูกคนหนึ่งจย่เนี้อ่ะหมดหมดหมดรดวจากตัวกี่ตัวหมดหวยจา ก, กี่ตั ว, วกกตัดอื่นๆก็มีหลายอยู่เราเล่ามีเท่าไหร่ก็เอามาประมอ ม, อมอกันมันเป็นอย่างนั้นแหละเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันยิ่งยิ่งได้กว่าเดิมแล้ววันนี้ยได้ละได้กว่าถ้าเราไม่เห็นไม่เห็นถึงนี้เราก็เราก็ ไม่เขาทา่าแล้วมาเห็นถึงนี่คือเราเห็นประตูแล้วจะออกแล้วนั่นแหละมันมาเขาเรียกว่าป่าใหญ่ป่าใหญ่นี่นคือยังเคยความคิดความโลภความโกรธความหลงของเรานี่แหละมันอยู่นี่มันออกมาได้จองเวนีนจองกรรมกันเวหรือใบอยู่เนี้ยเราสร้างขึ้นเองดีเราก็สร้างขึ้นเองชั่วเราก็สร้างขึ้นเองทุกเราก็สร้างขึ้นเองสุขเราก็สร้างขึ้นเองไม่มีใครจะสร้างให้เป็นตมบัติของเราทั้งหมดเพราะฉะนั้นรู้จักทางออกรู้จากทางเข้ออาซะ อย่าไปมัวตั้งแต่ความโกรธความโลภความหลงอยู่ในระบุบุญวัยกันอย่างนี่ยไม่ออกเป็นถ้าเราเห็นอันนี้แล้วเราเราจะไม่เป็นไม่เป็นแล้วก็สบายใจบุญนั่นก็คืออะไรคือสบายใจของเราเนี่ยก็เห็นแนวเห็นอยู่ทุกคนน่ะนรกคืออะไรนรกก็คือความทุกข์เราเนี่ยเอมันคนไม่มีไฟคนไม่มีแสงอื มันมันก็เป็นอยู่นั่นเนี่ยมันร้อนอกร้อนใจมันไหม้ติดไหม้ใจของเราเนี่ยเขาฆ่ากันเพาะ อ, อะไรก็ความโมโหโทโสความอิจฉาความพยาบาทกันนั่นแหละตัวตัวไฟไฟมันไหม้ไหม้เราให้เราพยายามอย่าอย่าประมาทเออประมาทเนี่ยถ้าเราไม่มาเห็นถึงนี่เนี่ยเราเกิดมาธาตุใดก็ตามเราเกิดมาทาดดํ า, า, าทโทษตัวเองมาลงโทษตัวเอง ไม่มีใครทำให้เราทำเองทุกเราก็ทำทาเอาเองจนมีเบตเติดทีเราก็ทำเอาเองอยู่ในเมืองมนุษย์ของเราเนี่ยแต่ว่าส่วนที่วิจิตใจของเราเนี่ยยังมีโรคมีโกรธมีหลงตามเดิมออกไม่ได้แต่ว่าเขาเคยกินเคยสร้างเคยทันมาเนี่ยรักษาศีลเขาก็ทั้งศินสังคมเนี่ยเขาก็ถือได้ แต่ไม่ไ ม, ไม่เหมือ น, นปัญญามาตัตดของพวกเราของมปัญญามาัดคือคีวิจิตใจของเรานั่นะนะ่ะมันเข้าไปเห็นอะไรมันจะทําอะไรมันรู้จักมันเห็นมันเห็นด้วยตาทิพย์ของเราเนะี่ะมันบาปเราก็รู้จักมันบุญเราก็รู้จักนี่แหละเรามาตัดกรรมตัดเวรตัวเองไม่ต้องไปให้ให้พระมาตัดให้ไม่มีใครตัดให้เรากรรมเป็นวนะเราทําเองเราต้องตัดเองเออความมันติงเดนมันมีโทษมี เป็นทุกข์จะเกิดขึ้นมาเราไม่ต้องไปทําหยุดแล้วเราตั้งแต่ก่อนเราหยุดไม่ได้ตอนนี้เราหยุดได้แล้วเนี่ยพอมาชิดออกไปปั๊บจะไปอะไรน่ะเขาเห็นคิวิติใจของเราโอ้มันจะกินนั้นนั้นมันจะไปฆ่านั้นมันจะไปแต่นั้นนี่ไม่ต้องไปจงกระทั่งที่ฝันขึ้นมาเราก็ไม่กล้าไปถ้าเราแตปฏิบัติไปมันถึงแถววันจะไปทำนั้นนี้มันเห็นมันเห็นแล้วมันตัดภพตัดชาติแต่เรามาเห็นเนี่ย นี่แหละเราเนี่ยไปทางถูกแล้วเออเอาไปเอามานั่นไม่มีถึงอะไรที่จะเอามีแต่ปล่อยคอยวังนี่แหละโดกุตะละคือไม่เอาอะไรคือมาดูคีวิจิยใจของเราโลกิยะคือไปติดไม่มีทางออกอย่างที่เขาทำกันอยู่ทุกวันเนี่ยเราทำมันมากลามแล้ ว, าาลลวเขาไปปานมันออกมาได้ปานเนี่ยใครออกไปในหะลงทาง มาไม่ได้ไม่มีทางออกเนี่ยมันเป็นปัญญอย่างนั่นแหละแล้วก็มาอยู่เนี่ยจะมาทำส่วนกันมาทําความดีนัดวันประกันพุง่งวันนั้นจะได้ไปวันนี้จะได้ไปเออให้อายุได้ท่านนั้นก่อนนะอายุท่านนั่นที่นี่ก่อนให้ลูกคนนั่นใหญ่ก่อนให้ทํานี่เขาเอาถูกเอาเมียแต่งงานให้เขาเด็กจะไปวัดไปว่าอย่าไปนัดประวันวันประกันพรุ่งอันเนี้ย อันความตายของเราเนี่ยตายเท่าก็ได้ตายแก่ก็ได้ตายเป็นเด็กก็ได้เราเดินไปหาความตายบททุกทุกคนเนี่ยเนี่ยวันละเก้าละเก้าไปตัดทิ้นผ่านไว้ไวเลยน ะ, ะไปถึงขุดหลักผหารวันไหนก็ต้องตายนั่นแหละนั่งอยู่เฉยตายก็มีไปถึงหลักผหารแล้วนั่นแหละเราจะประมาทมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่านัดปัดปัดปดกัน ยัดนัดปันประกันพุ่งเออดีบมาเออมาทําแล้วก็ดีทำไม่ทํานี่ก็บางทีก็ตายตายไปก็ไม่ได้ทำอีกแล้วทําตอนเราเป็นคนนี้แหละไปนรกก็ให้รู้จักในเป็นคนนี่ไปสวรรค์ก็ให้ไปอยู่เป็นอยู่ในเป็นคนนี่จะไปนิพพานก็ให้เป็นอยู่เป็นคนนี่ให้รู้จักที่เราเกิดมาเนี่ยให้เห็นให้เข้าใจในตัวนี้ ถ้ามาเห็นตอนเรื่องเราเป็นเราเป็นคนเนี่ยอย่าหวังเลยอย่าไปปรารถนาอ้อนวอนไม่มีติ่งที่มาปรารถนาอ้อนวอนมันช่วยเราเราช่วยเราเองตัวใครตัวมันทําเพื่อลูกก็ไมาได้ทําเพื่อเมียก็ไม่ได้ทําเพื่อใครก็ไม่ได้ทั้งนั้นตัวใครตัวมันของใครของมันเนี่ยให้เราดูเอานี่ของจริงที่พูดมานี่ไม่ใช่เป็นของนั้นเป็นของที่มันมีอยู่รืคนทุกคน พราะฉะนั้นเราพยายามอย่าประมาทแท้ๆป่าใหญ่ๆนี่ก็คือความคิดของเรานี่แหละดงออกมาอะไคือความยึดมั่นถือมั่นพวกที่ปีศาจที่เขาปองจะ ก, กืนกินอยู่ตอเนี้ยก็คือการเวลาอย่านัดวันปะกันพุ่งเพราะว่าการเวลาเนี่ยมันไม่ค่อยใครเนี่ยอายุแปดสิบเก้าสิบปีอย่างหลวงพ่อเนี่ยมันจะคืนไปเป็นหนุ่มก็ไม่ได้ มีแต่จะไปบ้านเก่าเท่านั้นแหละพวกใครๆก็เหมือนกันไม่นีกันอานะพูดอม่างนี้ก็ขอยดุดติดเพียงแท่านี้ขอให้ทุกท่านทุกคนยงตั้งอกตั้งใจมาดูตัวเองอย่าไปดูคนอื่นเพราะว่าเราจนเราธรรมะเนี่ยไปดูแต่คนอื่นไม่เห็นตัวเองบัดนี้เรามาเห็นแล้วทางของเราตัวใครตัวมันมาแก้ตัวใครตัวมั น, ม ใ, ใ, มนให้เห็นให้ดูจัก ทางดีทั้งทั่วให้เราเข้าใจทางมีเตียนมีน้ําอย่าไปนี่จริงจริงเดมันเตียมนมันมีฐานหลัดยานแล้วก็ไปเลยเทุกท่านทุกคนจงตั้งออกตั้งใจประพฤติเบริบัดให้ถึงเขาแกนแท้ของพธิ์พธิ์ตัณห า, าคือความสว่างความสะอาดความสงบให้มีแก่ทุกท่านทุกคนในเวลาใกล้นี่ทุกทุกทกคนเกิน